เขารแล้วก็สวสดีหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ทุกทุกลูปแล้วก็เจริญคอยญาติโยมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่สามของงานที่เรา เปิดอบรมกันมาผมหรือว่าจะมาจะได้ที่โอกาสพูดเรื่องของการปฏิบัติธรรมะชนิดหนึ่งและต่อจากนั้นก็จะให้หลวงพ่อใหญ่ท่านพูดให้พวกท่านทั้งหลายได้รับฟัง เพ่อการแลือ ว, ว่าเปิดงานครั้งนี้ก็จะให้เวลามากที่สุดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะให้เวลามากที่สุดในการที่จะให้พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากหลวงพ่อใหญ่ของเราการปฏิบัติธรร ม, มานั้น และพวกท่านทั้งหลายก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดและก็เป็นสิ่งที่สูงที่สุดแล้วก็ในชีวิตของคนทุกๆคนเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะศึกษาให้เราเข้าใจหรือว่าเราจะปฏิบัติให้มันเข้าใจถึงตัวธรรมะจริงๆหรือว่าถึงตัวชีวิตจริงๆ ที่เราก็ทําอยู่เดี๋ยวนี้หรือขณะนี้หรือปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นเอาผมนี่ว่าแต่มาก่อนที่จะได้ไปศึกษาธรรมะเรียวปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อในผมบวชมาแล้วได้เก็บปีอาจะมาบวชมาแล้วได้เก็บปีไปปฏิบัติ ธรรมะกับหลวงพอ่อก่อนนั้นไม่เข้าใจอะไรเลยพูดอะไรก็พูดไปงไั้นไม่เข้าใจแต่พอไป ป, ปฏิบัติธรรมะกับหลวงพอ่อแต่ผมหรือว่าตมาได้ปฏิบัติธรรมะเดือนหนึ่งจิงเข้าใจนะเข้าใจพื้นฐานเดือนหนึ่งจริงจริงเข้าใจเดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยยังเข้าใจ แต่พอดีเข้าใจแล้วมันรู้สึกว่าไอ้ชีวิตที่บวชมาได้เจ็ดปีไม่ได้อะไรเลยไม่มีประโยชน์ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยพอดีปฏิบัติธรรมะพอเข้าใจนันเดือนหนึ่งนั้นจึงรู้จึงเข้าใจไอ้การบวชนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองมันไม่ได้อยู่กับหัวล่ น, นีอันนี้มันอีกอย่างหนึง่งไอ้ผ้าเหลืองหัวล่นล่นนี่มันอีกอย่างหนึง่ง แต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันก็เลยจะทำให้เราเสียเสียการห่มผ้าเหลืองหรือว่าเสียของการปวดหรือว่าเป็นครวญญาติโยมอะไรแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วมันก็จะทำให้เราเสียการทำบุญก็ดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีอันนี้มันมันอาจจะไม่คุ้มกันะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันไปปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งเข้าใจเข้าใจพื้นฐาน คือที่เราสร้างจังหวะเราเดินตรงกลมเราเคลื่อนไหวให้เรามีสติกําหนดรู้พอผมในเรตามาเขาเข้าใจรูปนามก่อนบุรีแกเข้าใจรูปนาะมเข้าใจโดยที่ไม่ได้ยินได้ฟังนะเข้าใจโดยที่เราไม่รู้มาก่อนเห็นมาก่อนนะเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเห็นรูปเห็นนามแล้วก็เห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมเห็นรูปโลกแล้วก็เห็นนามโลกแล้วก็เห็นสมมุติเห็นจริงๆนะ เ, เห็นจริงๆริงในสัตว์ได้จริงๆแล้วก็เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นบาปแล้วก็เห็นบุญแล้วก็เห็นศาสนาแล้วก็เห็นพุทธศาสนาเบื้องแรกแค่เนี้ยอารมณ์รูปนามจบแค่นี้เองเห็นจริงๆแต่ก่อนที่มาเคยรู้ว่าบุญนั้นบุญนี้บุญนี้รู้ไปหมดแต่มันไม่เข้าใจอะไรงไงอารมณ์รูปนามหมดแค่นี้เองพอดีหมดอารมณ์รูปนามแล้วเราจึงจะได้ไปดูความคิด คนที่ยังไม่รู้จักรูปจากนามอย่าเพิ่งไปดูความคิดอย่าไปเล่นกับความคิด <Compared to that> ถ้าเราไปเล่นกับความคิดเราไปดูความคิดแใจเราไม่รู้แล้วมันจะไม่มีฐานแต่ถ้าเราได้พื้นฐานดีๆแล้วเราจริงจะได้ไปดูความคิดดูความนึกความคิดอันนี้จะพูดลัดๆ น, น, นะแต่พอดีไปดูความคิดนั้น อาจมาเก้าวันอะมาสั้งเกตดูนะผมจะเกตดูเก้าวันไปเห็นอารมณปรมัตเห็นวัตถุเห็นอาการบามัตก็คือสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ตัวเรานี่ก็เป็นอยู่มีอยู่จิตใจนี่ก็เป็นอยู่มีอยู่ปามัตแปลว่าสมมติบัญญัติปาลมัตบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยบัญญัติทุกอย่างเป็นสมมุติในสมมติบัญญัติ ปรมัดบัญญัติอัฏฐบัญญัติถ้าเห็นปรมัดแล้วก็เห็นวัตถุแล้วก็เห็นอาการเพราะมันต่อเนื่องซึ่งกันและกันมันเป็นสายกันไปเลยอเห็นปรมัดเห็นวัตถุเห็นอาการแล้วก็ดูต่อไปก็เห็นเห็นโลภะเห็นโทสะเห็นโมหะอแต่มันเห็นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเพราะว่าจะให้หลวงพ่อใหญ่ท่านพูดเพราะวันนี้ท่านจะได้เน้นวิธีหรือวันแนะ เราให้เราเข้าไปจริงๆเลยถ้าใครตั้งใจจริงๆแต่ถ้าใครสนใจจริงๆปฏิบัต us, ิจริงๆอาตมาว่ามันเป็นจริงๆนะมันเข้าใจจริงคนทุกคนชีวิตทุกชีวิตเนียมันเป็นจริงๆอันนี้ก็จะพูดด้วยแค่นี้ก่อนนะพอดีเข้าใจนี่อาตมาปฏิบัติไปนี่รู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเห็นอารมณ์เป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปจนถึงมันจบของมันเองเลยพอดีไปถึงมันจบแล้วอาตมาจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นเอง ท่านสอนนิดเดียวนะสอนนิดเดียวอ่าจะมาอะเรกเข้าใจพระพุเจ้ า, าสอนอย่างนี้คนทุกคนต้เอเป็นอย่างนี้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมาขันสามประไตปิฎกรวมแล้วมันมาอยู่ที่นี่เองมันตัดสินใจได้เลยเพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่สามสี่ห้าวันถ้าใครตั้งอกตั้งใจจริงๆมันจะเข้าใจจริงๆหรือมันจะเป็นได้จริงๆริงนะจริงๆริอย่างเงยเพราะฉะนั้นในการพูดก็จะจบบางอย่างนีน้ต่อไปก็จะได้อาลัธนาหลวงพ่อให้ท่าน ได้พูด อ, อนุโมทเพื่อนทิกสุทุกทุกอคงครับตั้งใจฟังกันแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกคนทั้งหญิงและชายตั้งใจฟังหากไม่ตั้งใจฟังแล้วการฟังนั่นแหละจะได้ประโยชน์น้อยเพราะจดจำไม่ได้นำไปปฏิบัติก็อาจจะไม่ตรง เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วเข้าใจจดจำได้ไว้ในมันสมองของพวกเราเราไปปฏิบัติก็จะไม่พลาดผิดมีอา น, นิสงส์อย่างสมบูรณ์คำว่าอ น, นิสงส์ก็หมายถึงอพอใจนั่นเองวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ารอยสามสิบเป็นปีใหม่ การพูดในปีใหม่ในงานครั้งนี้ก็เสมือนว่าเรานายของที่คว่วเปิดของที่ปิดไปเราเริ่มงานกันมาตั้งแต่วันที่สามสิบตอนเย็นวันที่สามสิบนั่นก็คงจะไม่ได้ลงมือทำกันมากเท่าไหร่เพราะว่าเย็นจึงมาพบกันลื้นนัด การะสมกันวันที่ส1บเอราก็ลงมือทำการงานของเราหน้าพอใจที่อจะมาได้มารวมมาเห็นมาดูในงานนี้รู้สึกว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยงานทำอย่างนี้แต่ทำมาก็จริงเคยทำมาก็จริงแต่มันไม่เหมือนกันการทำการพูด ก็จะไม่เหมือนกันแม้ถึงการนั่งการนอนการขบการสันเรียว่าขบสันบรรรปพอ่อการสันอาหารก็ไม่เหมือนกันดังนั้นหน้าพอใจเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่เป็นพระที่เลี้ยงก็ตั้งใจจริงๆและผู้ที่มาปฏิบัติก็ตั้งใจจริงๆทั้งสองอย่างเนี่ยมีศรัทธาพร้อมๆกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมะ เป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตทุกๆคนเพราะชีวิตที่หาซื้อไม่ได้ขายไม่ได้แม้จะซื้อขายกันราคาจากล้านร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายเลยดังนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมะน่าพอใจเห็นเพื่อนภิกษุเป็นพี่เลี้ยงและญาติโยมเป็นน้องและผู้นำ อพอเหมาะพอดีกับพวกเราดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนะี่ยตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราทํามาแล้วนี้ดีขึ้นมากกว่านี้ก็จะดีมากเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระที่นําก็ต้องมีความรู้จึงจะแนะนําญาติโยมได้ถ้าหากว่าไม่มีความรู้จะแนะนําญาติโยม พูมาศึกษาอาจจะไม่ตรงเป้าหมายก็ได้ดังนั้นอาตมาเมื่อพูดถึงการปฏิบัติธรรมะแนะนําให้ลงจุดและเป้าหมายนั้นก็อยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวเพราะอาตมาเป็นคนที่พูดส่วนตัวมากที่สุดเพราะวาการทำการพูดนั้นจึงเอาความจริงมาเล่าสู่กันฟังอาตมา เป็นคนที่เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้พูดภาษากลางก็ไม่ถูกต้องตามอักลรและพยัญชนะเสียงต่ำเสียงสูงไม่รู้การพูดสําเนียงในขณะนี้ก็พูดไปอย่างทันแหละไม่รู้แต่ว่าฟังเอาเมื่อหาสาระอย่าไปว่าผิดอักลรพยัญชนะบทนั้นบทนี้ญาติโยม ผู้ที่ฟังอย่าไปจับอย่างนั้นและเพื่อนภิกษุสมเณีคนที่ยังไม่เคยได้ฟังก็ อ, อย่าไปจับอย่างนั้นให้จับเสียว่าหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ท่านจะสอนไปอย่างนั้นอาตามาเคยให้ทานการทานเรียกว่าเอาให้เอาให้เรียกว่าการทานแม้จะเป็นวัตถุสิ่งของอย่างใดก็าตาม ตลอดถึงปัจจัยเรียกว่าเงินเสื้อผ้ายารักษาโรคเป็นวัตถุภายนอกทานได้อย่างสบายเรียกว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่พ่อแม่ปุยยาตายายเคยสอนเอาไว้แต่ยังไม่รู้หลักพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรียกว่าการทานธรรมยอมสนะทานทางปวงนั้นอาตมาไม่รู้ยังไม่รู้ข่าวนั้น ต่อมาได้ทำวิธีกรรมฐานเหี่ยวพุทโธสัมมาอารหังนับหนึ่งสองสามองนุกานาปานสติผมหรืออาจมาทรมานานพอสมควรเมื่อใครพูดยังไงพอที่จะเข้าใจและจัดใจความในการพูดนั้นได้เพราะว่าตัวเองเคยศึกษาและ ได้ปฏิบัติมาก็ต้องรู้หัวหมายครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้กั่นรู้แต่ว่าผิดกันก็ไม่มากดังนั้นในขณะช่วงนั้นยังไม่เข้าใจว่าการทานธรรมย่อมสนาานาปวงนั้นเข้าใจว่าทานพระพุทธรูปมีเงินมีทองเรียว่าทองขับนะเอาเป็นล่อหลอมเป็นพระพุทธรูปเรีวยกว่าเจ้าของทานธรรมเข้าใจอย่างนั้นหรือเขียนหนังสือทม ไปถวายทานและเป็นธรรมหนังสือใบลานเข้าใจอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้ว่าการทานธรรมคือทานอะไรไม่รู้เลยต่อมาเมื่ออายุสี่สิบหกปีนี่อาตมาก็เลยเข้าใจว่าการให้ทานทางวัตถุสิ่งของนั้นมันเป็นขนบรรมรำเนียมประเพณีของคนไทยเพราะเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ ส่งเสริมซึ่งกันและกันเข้าใจอย่างนั้นบัด น, นี้การรักษาศีลนั้นเราเคยไปรักษาสมทานเอากับพระแต่การกระทำอย่างนั้นมันเป็นเพียงถ้ า, าพวก็เรียกวัตถุดิบเราจะหาซื้อของวัตถุดิบนั่นแหละเข้าให้โรงงานโรงงานนั้นจะเอาไปทำ ให้เป็นตนเป็นโตขึ้นมาลอล้อมขึ้นมาหรือเอาไปถลุงขึ้นมาเอาเนื้อแท้ของการรักษาศีลนันจริงๆเคยได้ยินเคยได้พูดเคยเรียนกับครูบาอาจารย์ว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยากสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดไม่รู้แต่พูดได้ในเป็นอย่างไ น, น เมื่ออายุ46ปีนี่ได้ทำวิธีการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นคั้ว ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพลิกตานี่ว่ามือตาขึ้นหลับตาลงเลือดใจแลขวัวกืนน้ำลายเข้าไปในลำคอเนี่ย เกิดมีความรู้สึกในอิริยาบทเหล่านั้นก็เลยมันไปตรงเอากับคาพูดคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ว่าให้มีสติกาหนดรู้ในอิริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มีสติกาหนดรู้ในอิริยาบทใหญ่ๆเหล่านี้และท่านยังสอนแนะนาให้เรา มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิเดียบุตรย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดท่านก็ให้มีสติกำหนดรู้ท่านสอนมันก็เลยเข้าใจโอสิ่งที่เราทำในขณะนี้มันตรงเป้าหมายเพราะการศึกษาธรรมะกับธรรมศาสติมันจริงๆธรรมศาสติคนเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะหยุดนิ่งไม่ได้ถ้าหยุดนิ่งเมือ่อใด อันตรายเกิดขึ้นเมื่อนั้นหรือขณะนั้นคำว่าอันตรายจะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหมดลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเหมือนกับทอนไม้ทอนฟืนนี้เองดังนั้นคนเราจะศึกษาปฏิบัติโดยวิธีใดก็ตามต้องศึกษาในขณะที่เรายังมีลมหายใจมีความคิดนึกคิดอะไรให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญเราจะให้ทานจากร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถที่จะให้เราแจ้งหรือเข้าใจสัมผัสในชีวิตของเราได้การรักษาศีลปานาอาินากาเมมมสาสุลาเรียกว่าศีลห้าและการรักษาอุโบสถศีลศีลแปดตามรักษาศีลสองรยสบเจ็ตาม อาตมาก็ได้บวชเป็นพระนุ่มหกเดือนก็พยายามรักษาศีลทุกขณะก็ยังไม่สามารถที่จะให้รู้เรื่องชีวิตตัวเองได้การรักษาศีลเหล่านั้นกําจัดทุกไม่ได้กําจัดกิเลสอย่างหยาบไม่ได้ดังนั้นสมาธิที่เคยไปนั่งหลับตาภาวนาพุทโธสัมมา阿拉หัง นับหนึ่งสองสามพองยุบอาณาปานาาสตินั้นดีแล้วแต่ยังไม่สามารถกำจัดกิเลสอย่างกลางไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้กิเลสอย่างกลางมีรูปร่างลักษณะสันฐานอย่างไรไม่รู้ผมเองไม่รู้แต่คนอื่นอาจจะรู้และปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดไม่รู้วิภาควิจารถึงอสุภะให้เบื่อนาย เป็นอสุภะรูปหญิงรูปชายให้เป็นที่สุกปกพูดใดมาพิจารณาเองอันนี้เป็นการนึกคิดขึ้นมาเองแต่ไม่ใช่เป็นญาณปัญญามาสำาระสล้างสิ่งเหล่านั้นดังนั้นอยากจะแนะนำเพื่อนภิกษุและญาติโยมทุกท่านทดลองวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นนะให้มีสติกำหนดรู้ ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนเดินนั่ง น, นอนและให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ย, ย้อยคู่เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามอันนั้นเราไม่มีปัญญาก็เลยกำหนดไม่ได้จำเป็นต้องหาวิธีเรียกว่าวิธีการคือจังหวะที่เรากำลังฝึกหัดอบรมกันอยู่ในขณะ น, นี้หรือปัจจุบันนี้ ให้เอามือวางไว้ที่บนขานั่งพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้าหากคนเท่าคนแ ก, นก่นั่งตรงไม่ได้ก็เอียงบ้านหงเขเรียกว่าเอียงหรือพิงฝาพิงเสาเอาหมอนหรือเอาอะไรมาพิงแล้วก็นั่งเอามือวางไว้บนขาข่วมไว้พิกมือขวาขึ้นซาส่าแต่คนใดมีกําลังแรงทางมือซ้ายก็ตรง พิกมือซ้ายขึ้นตะแคงไว้ทําสาสาอย่าไปทําเลว็วแล้วก็มันตั้งขึ้นก็นให้รู้สึกมันหยุดก็ให้รู้สึกความรู้สึกนั้นเรียกว่ามีสติรู้พูดภาษาธรรมะเรียกว่ามีสติเข้าไปกําหนดรู้ผู้ภาษาพื้นบ้านเราล่ะให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจนยกมือขึ้น กำนํามันไหวตัวขึ้นมาเนะี่ยให้รู้เมื่อมันหยุดมันนิ่งอยู่ก็ให้รู้แต่ไม่ใช่นิ่งไม่มีลมหายใจไม่ใเ่วนิ่งอย่างนั้นคือมือมันหยุดนิ่งแต่เรื่องพิษตาหายใจเลือดซ้ายแลขหัวตาเราเกือนน้าลายอย่าไปกําหนดอันนั้นให้กําหนดการเคลื่อนไหวที่ลูกหยาบหยาบนี่ก่อนบัด น, นี้เอามือเข้ามาที่สะดือมาแน่แน่นอยู่ที่ตรงนั้นแต่แน่นไม่ใช่กดนะเพียงเอามา แนทไว้เบาๆรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวรู้การเคลื่อนการไหวอันนี้แหละแล้วกับพลิกมือซ้ายขึ้นตามลำดับที่เราเคยแนะนำกันมาเมื่อนั่งนานมันเจ็บแขงเจ็บขาปวดหลังปวดเอวบ้านหลวงเขาเรียกวปวดแอวทางกรุงเทพนี่อาจจะว่าปวดเอวอาจจะว่าอย่างนั้นแล้วกับพยายามเคลื่อนไหวนั่งเขา่าโย่ตัวขึ้นอย่างที่เคยทาและสาธิต ให้ดูมามากแล้วพอสมควรดังนั้นเมื่อทำอันนี้สัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ใช่สัญญาเป็นเรียนจำมาจากตำรับตำลาอันนั้นมันเป็นสัญญาที่เีววัดถูดิบเอามาเข้าโรงงานให้โรงงานบททลุงเข้าไปจะเอามาใส้เรียวล่อหลอมเป็นองค์พระขึ้นมาก็ได้ บัด น, นี้สัญญาตัวนี้กับสัญญาตัวนั้นแต่คำพูดว่าสัญญาเหมือนกันแต่การกระทำนั้นจับมาให้คนดูไม่เห็นสัญญาอันนั้นมันจะคอยสะสมทีละนิดทีละนิดเมื่อสะสมมากๆเข้าเดี๋ยววิญญาณปัญญามันจะเข้าไปรู้เองมันยญาณแปลว่าเข้าไปรู้ไม่ใช่เหาะแต่ก่อนเข้าใจว่ายญาณต้องเหาะเข้าใจอย่างนั้น เมื่อมันเข้าไปรู้พอเคีวามันเต็มสัดส่วนของมันแล้วมันก็เลยเหมือนกับน้ำที่เราเทลงในแก้วแก้วน้ำที่เราเอามาสันกันบานิ้นมันเต็มมันก็ล้นออกบ้านหลังขลงเรวมันลนแก้วมันจะลงใส้บนดินดินเ็าซุ่มเย็นไปหรือไปถูกกับรากไม้ต้นไม้ก็จะสดซื้นขึ้นมาเพราะว่ามันเย็น เรียกว่าปัญญารอบรู้ก็เลยเกิดรู้เกิดเห็นเกิดเข้าใจของจริงคําว่าของจริงนี่หมายถึงอริ ย, ยสัจสัจจะแปลว่าของจริงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปแปรผลัคนคงที่ถาวรแม้จะรู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้ารู้ในประเทศอินเดียนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเองเป็นคนรู้เป็นคนเห็นเป็นคนสัมผัสแล้วจึงนามาสอนคนในประเทศอินเดียแก้ปัญหาคนในประเทศอินเดียแก้ทุกคนในประเทศอินเดียแต่คนในประเทศอินเดียนั้นก็ไม่ใส้หมดทุกคนดังนั้นเมื่อขณะที่บวชเป็นเจ้าหัวหนุ่มหกเดือนท่านพระคูวิสิตธรรมจารย์เป็นอุปสาพูดให้ฟังว่า ในประเทศอินเดียนั้นมีร้อยแปดละทิร้อยแปดนิกายร้อยแปดอาจารย์นั้นไม่เหมือนกันดังนั้นคนไทยเราไปสวยจับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนั้นมาเป็นหลักพุทธศาสนาของคนไทยบางทีอาจจะไปทูกเอากับละทิอาจารย์องค์อื่นๆก็ได้หรือไปจับเอาคำพูดคำสอน ของละที่อาจารย์อื่นๆนั้นมาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าคำพูดนั้นมันคลายคลายกันและพูดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าการพูดก็ไม่เหมือนกับคนไทยต้องเป็นภาษาต่างกับคนไทยพูดเพราะคนอินเดียพูดก็ต้องพูดภาษาอินเดียคนอินเดียฟังกันต้องรู้เพราะเป็นภาษาพืนบ้านของคนอินเดีย คนไทยจะแปลก็ต้องเรียนภาษาอินเดียให้มันถูกต้องกับสับส่วนหนักเบาพระพรุทธเจ้าพูดอย่างนั้นหรืออาจารย์องค์อื่นๆพูดอย่างนั้นมีความหมายอย่างนั้นต้องรู้อย่างนั้นและจะแปลภาษาอินเดียเข้ามาสู่ภาษาไทยก็เป็นของยากไม่ได้เป็นของง่ายนะดังนั้นเราศึกษาปฏิบัติกันในขณะ น, นี้อาตมาหรือผม เรียนภาษาอินเดียไม่เป็นแม้ภาษากลางนี่ก็ยังพูดยากที่กำลังพูดให้ญาติโยมและเพื่อนพิษุสมณเนรฟังในขณะนี่ก็ยังพยายามคำพูดตัวเองบางทีอาจจะพลาดแต่ก็ได้ถ้าให้อัตมาพูดเป็นภาษาถิ่นเมืองเลยที่อำเภอเสียงคารตาบนบุหมบ้านบุหมแล้วอัตมาไม่ต้องระวังเลยเพราะพูดตามรมเนียม หรือภาษาถิ่นของเรามันพูดง่ายอย่างนั้นดังนั้นการพูดในขณะนี้ก็ให้ญาติโยมและเพื่อนภิกษุสมนเณีฟังเพราะอาตมาพูดเป็นภาษาสำเนียงกรุงเทพหรือภาคกลางเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นภาษาพื้นบ้านของอาตมาจริงๆแต่ภาษาคำพูดคำว่าตาเนี่ยทางกรุงเทพกว่าตาเหมือนกันบ้านอาตมาก็ว่าตาเหมือนกันหูอย่างนี้ก็ว่าหูเหมือนกัน แต่ผิดกันคําว่าจะมูกเนี่ยบ้านหลวงพ่อไม่รู้บ้านหลวงพ่อเรียกว่าดังเนี่ยความหมายมันเพี้ยนไปอย่างนั้นดังกับจะมูกเนี่ยถ้าเป็นตัวหนังสือนั้นน่ะจะมูกอะไรเป็นตัวจอแล้วไปนเนี้ยประเดีดังเป็นตัวดอแล้วบปนเนี่ยผิดกันอย่างนั้นฉะนั้นความหมายนั้นจึงว่าไม่เหมือนกันอาตมาเคยมีเพื่อนเล่าให้ฟังในประเทศขเขมรนะเรียกว่าจักสุน่หรืออะไรหลวงพ่อไม่รู้ มันเป็นภาษาบาลีก็เลยพูดไม่รู้เรื่องที่อาตมาหรือผมท่านอาจารย์ทุกท่านที่ท่านเป็นพี่เลี้ยงหลายองค์แต่ไม่ระบุซื้อแต่ระบุซื้อแต่เพียงว่าหัวหน้างานเนี่ยพูดลิเลิมหรือดำลิลิเลิมมาพูดกับเพื่อนภิกษุทายในวัดสนามไหน ก็มีอาจารย์หองและญาติโยมคงจะรู้เพราะว่าท่านเป็นสมภารเป็นเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าในงานวัดสมณสนานในท่านก็พยายามปรับปรุงเพื่อนภิกษุผู้อยู่รวมอาวาสเดียวกันว่ามีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนานั้นเราจะทำอย่างไงการต้อนรับปีใหม่ทรงท้ายปีเก่าพระสง ผู้ที่อยู่ร่วมอาวาสเดียวกันก็ควรจะเปิดอบรมวิปั จ, จนากรรมฐานไว้นะคำว่าเปิดอบรมก็หมายถึงเรียกร้องให้ญาติโยมทั้งหญิงและชายเพื่อนภิกษุต่างบ้านต่างวัดต่างอาวาสมาดูการกระทำการพูดการสัน่นการทำทุกอย่างนั่นแหละท่านก็ได้สาธิต ทุกองมีการสาธิตให้ญาติโยมดูคนที่ยังไม่รู้บัด น, นี้พระสงฆ์ที่มาต่างอาวาสท่านก็พยายามสาธิตให้ดูวิธีปฏิบัตินั้นการกระทาอย่างนี้จะรู้ของจริงเพราะของจริงนั่นมันมีมากอดพระพุทธเจ้าคือการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ทมเห็นทำเข้าใจธรรม ดังนั้นในขณะนี้พวกเราทาเรียกว่าจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้รู้ธรรมเห็นธรรมการรู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราสัมผัสแนบแน่นอยู่ในตัวเราเรียกว่าเห็นธรรมจึงว่าธรรมะจึงมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ที่อาตมาเคยทามานั้น เมื่อเห็นธรรมก็ต้องเห็นสีแสงพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้ามันเข้าใจไปอย่างนั้นแต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมายาครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นนิมิตใกล้ๆจะเห็นธรรมะแล้วเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นคำว่านิมิแตแปลว่าเครื่องหมายไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเครื่องหมายคืออะไรการเคลื่อนไหวให้รู้สึกนั่นแหละแต่วเป้าหมายให้เรามีสติ รู้เท่าทันเหตุการณ์เคลื่อนไหวเหลี่ยวเป้าหมายนี่กเป็นนิมิตนิมิตยังแปลเครื่องหมายเครื่องหมายคือสัญญานั่นเองสัญญาตัวนี้แหละจะมากขึ้นมากขึ้นการจะคําพูดว่าสัญญาเหมือนกันเมื่อสัญญารู้มากขึ้นมากขึ้นญาณปัญญาเข้าไปรู้คําว่าญาณปัญญาเข้าไปรู้แล้วก็ไม่มองเห็นอย่างที่เปรียบเทียบให้ฟังว่า น้ำเราหยดลงในกวดแก้วกวดแก้วก็ดีมันรองรับเอาน้ำนั้นไว้ได้เก็บน้ำได้ทุกหยดทุกปรับน้ำก็เต็มสมบูรณ์เมื่อหยดลงมาหยดลงมาเหมือนกับฝนถึงจะเป็นเม็ดน้อยๆก็าตามถ้าหากที่รองรับดีแล้วจะสามารถเต็มได้แล้วก็ล้นออกไปสู่พื้นดินและพื้นดินก็จะซุ้มเย็นขึ้นไป รูปนามนี่เองรูปนามเป็นยังไงรูปได้แค่ร่างกายภาษาธรรมะเรียกว่ารูปภาษาเพื่อนบ้านเรียกว่ากายกับใจรูปนามบัดนี้รูปนามนั่งอยู่เฉยๆเป็นเพียงรูปเพียงนามรู้อย่างนั้นเมื่อการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอาบือมาจักขุดดินฟันไม้ขีดเขียนหนังสือเรียกว่ารูปทำนามก็ทําไป รูปมันทำใจก็ทำไปเรียกว่ารูปทำนามทำรูปโลกนามโลกวันนี้รู้มาอย่างนี้โลกก็หมายถึงคขมสับสนวุ่นวายเดือดร้อนและควมเจ็บปวดในเนื้อหนังโลกเนี่ยมันมีอย่างนี้คำว่าควมสับสนวุ่นวายเดือดร้อนคือภายในใจิตใจโลกเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลเดียวโลกผิวหนังเือว่าอย่างนั้น บันนีตโรคผิวหนังจำเป็นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอตรวจเซ็คร่างกายให้ดีแล้วหมอจะให้ยาถ้าหมอที่ดีนะตรวจเซ็คร่างกายให้ยาก็ทุกทันทีเลยโรค ก, ก็หายไปได้ถ้าหากหมอยังไม่ชำนาญในการรักษาโรค ก, ก็ต้องทดลองยาต้องหลายขนานหายาประเภทนั้นมาให้กินหลายเรื่องจึงจะหายอันนี้โรคทางผิวหนังโรคทางร่างกาย แต่โลกทางจิตใจเรียกว่าความสับสนวุ่นวายเลือดร้อนหมอในโรงพยาบาลรักษาไม่หายจําเป็นต้องศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้นั้นให้รู้จิตใจนึกจิตใจคิดท่านน่ะโลกทางจิตโรคทางวิญญาณดีใจเสียใจโกรธเกลียดเนี้วอันนั้นเรียกว่าเป็นโลกทางจิตวิญญาณไม่ใช่โลกทางกาย เมื่อศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เข้าสัมผัสแนบแน่อยู่กับสิ่งเหล่านัน้นเลยว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาพูดภาษาอย่างที่เราเราพูดกันอยู่ในนี้นนว่ะหัวมรู้สึกตัวรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเอาชนะตัวเอาชนะใจเพราะเป็นคนไม่หลงตนไม่ลืมตัวไม่หลงกายไม่ลืมใจ เห็นอันนี้เข้าใจอันนี้สัมผัสแนบแน่ยสัญญาจำได้ไม่หลงไม่ลืมไม่ต้องไปศึกษาที่นอกตัวเราไปเห็นธรรมะต้องเข้าใจอย่างนี้ควมทุกก่อนลดลดลดน้อยลงน้อยลงถึงกับจะไม่มีทุกก็ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อรู้จักอันนี้ก็เลยรู้จักทุกขังอันนี้อางอนัตตาคำว่าทุกขังก็หมายถึงว่า คนเราจะนั่งนิ่งๆไม่ได้ความทุกข์มันติดอยู่กับรูปอันนี้เรียกว่าสัญญาลู้เองญาไม่ปัินาเข้าไปลู้เองปัญญาจะรอบลู่เองไม่ต้องถามใครที่ไหนก็ได้ที่เราฟังกันมานั้นทรงจำแต่มันไม่สะอาดมันยังมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจจิตใจไม่มีความสว่างไม่มีความสดซื่นภายในจิตใจ เมื่อเรารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้จิตใจสะอาด จ, จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจสุดซื้อท่านว่าอย่างนเบิกบานด้วยธรรมนี่ ว, ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมก็จิตใจก็บากเบิกบานด้วยธรรมล่ลาเลงด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมกินด้วยธรรมนั่งด้วยธรรมนอนด้วยธรรมนีย่ว่ารู้ทุกขงังรู้อนิจจังรู้อนัตตาท่านว่าไต ลักษณะทั้งสามอย่างนี้ทุกคนต้องมีทันว่าอย่างนะก็เลยรู้ตามขอมเป็นจริงเมื่อรู้สิ่งนี้ก็รู้สิ่งที่สมมุติขึ้นมาในโลกอย่างที่พูดกันอย่างตํารวจทหารผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นสมมุติขึ้นมาเพราะเอาตัวอย่างอันนี้นี่เองไปเป็นสมมุติบัญญัติผู้ใหญ่บ้านก็สมมุติให้เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็สมมุติให้กำนัน แต่เป็นคนธรรมดาเหมือนกันนี่เองเราจะไปตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้นอย่างที่พระสงฆ์องค์เจ้าก็สมมุติบวชแล้วก็ศึกไปศึกแล้วก็บวชเข้ามาอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยบวชเป็นเณนปีหกเดือนมาบวชเป็นพระหนุม่มอายุยี่สิบปีหกเดือนศึกออกไปมีครอบครัวอย่างที่พวกคุณพวกหนูนี่แหละไปอย่างนั้นแนหะนว้อสมมุติทางนั้น กลับเข้ามาบวชครั้งนี้เป็นหลวงตาธรรมดานี่เองเนี่ยบวชมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะศึกก็ได้นี่อันนี้เป็นสมมุติจรงว่าศินนั้นจรงว่ามีสองแบบมีศินสมมุติกับมีศินประมัตเ น, นั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้จักผีเทวดาเรียกว่ามีตาทิพขึ้นมาจรงว่าเห็นคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วอาตมาพูดตามบ้านอาตมานะบักผีอีผีว่าฉัน ขณะคนทาตัวจริงว่าคนไม่มีตาทิพย์จึงไม่สามารถที่จะมองเห็นจิตใจได้ทางนี้อาจจะพูดเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่ทราบ <c oughs> เคยได้ยินไหมคุณหนูว่าคนนี้คือผีเคยได้ยินบ้างไหม <c oughs> เคยได้ยินนะ อ, อแต่ไม่เห็นตัวผีนะคือผีอันนั้นแหละคือคนมีตาทิพย์จึงว่าเห็น <c oughs> เห็นผีจริงๆแล้วเคยได้ยินว่าคือเทวดาเคยพูดไหมเ <c oughs> นี่ยคนมีตาทิพย์จึงเห็นเทวดา คนไม่มีตาทิพย์ไม่เห็นคําว่าตาทิพย์ในที่นี้หมายถึงตาปัญญานั่นเองเพราะกําจัดกิเลสอย่างหยาบได้เพราะมีศินทันวไรอย่างนั้นเมื่อมีศินก็จะกําจัดกิเลสอย่างหยาบได้กิเลสอย่างหยาบก็คือควมสกปกรกลกหลังยุ่งยากนั่นเองเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเมื่อรู้จักสมมติดีแล้วรู้จักศาสนาศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ ใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนแต่สอนให้ละชัวร์ทดีท่านว่าอย่างนั้นจังหวัดบางคนก็สอนไหว้เทวดาเพราะยังไม่มีตาทิพย์สอนดูลืกงามยามดีกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีความรู้อย่างนั้นก็ต้องสอนอย่างนั้นบ้านอตาตมาเองเนี่ยแต่ตัวอตาตมาไม่ได้ทําเอาผีไปรักษาเอาเทวดาไปรักษาเอาพระธรรมไปรักษาเอานางธรณีไปรักษาเนี่ยไม่รู้เลย แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าคนมีการศึกษามากก็เลยรู้บางคนเอานางธรณีไปรักษาก็ขุดเอาที่ดินขึ้นไปขุดเอาดินขุดนี่ก็รู้ไหมจับเอาดินขึ้นไปไว้บนบ้านเอาไปไว้ขันไว้ที่พระอยู่นั่นแหละไปกราบไปไหว้ที่ดินก็ไม่รู้ไม่รู้ว่านางธรณีคืออะไรนางธรณีธรณีก็คือดินนั่นเองการปลูกฝัง ไม่รู้ไม่รู้นางทรณีโทรณีก็คือดินเราจะเพาะปลูกผ ล, ลไม้ต่างๆต้องปลูกในบนดินเมื่อปลูกแล้วก็มีการให้ปุ๋ยรดน้ําต้นไม้ก็ซุ้มเย็นขึ้นมาก็นําเอาลูกมันมันเป็นลูกบ้านหลวงเขาเรียเป็นหน้อยเป็นผลเลยว่าผลของมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปเอามากินอันนั้นแหละเรือเอานางโทรณีรักษา เราปลูกต้นไม้ลงพื้นดินเมื่อมันได้ผลมาขอเรียกเราไปเอามากินเลี้ยงชีวิตเราได้แต่ก่อนนึกว่านางธรณีไปรักษานึกว่าดินไปรักษาตัวเองจริงๆเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นคนแถวนั้นไม่ค่อยรู้เนี่ยเข้าใจอย่างนั้นเพราะคนยังไม่มีปัญญาเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีการศึ ก, ศกษาเล่าเรียนกันมาก <c oughs> บ้านอาตมาไม่เคยมีโรงเรียนแต่ก่อนเดี๋ยวนี้โรงเรียนมีทุกบ้าน การศึกษาเล่าเรียนจเจริญมากพวกเราโยนที่นี่บางคนอาจศึกษาได้ปริญาตีปริยาโทรปริยาเอกก็มีญาติโยมเพราะทํางานในห้างร้านบริษัทต่างๆนู้ดเป็นข้าราชการเขาต้องมีความรู้ต้องรู้จักอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่รู้จักทันทีใช้ปัญญาอย่างไรอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เช่นเดียวกัน บวชเข้ามาแล้วบางองค์ก็ศึกษานักรรทตรีโทเอกได้เป็นมหาป ร, รียญบางคนก็ประโยศสามประโยศสี่ถึงประโยศเก้าก็มีอาตมาไม่รู้อย่างนั้นแต่รู้เรื่องที่จิตใจมันเป็นคมทุกแก้ปัญหาอันนี้ได้อันนี้ใดจังห ว, วารู้ศาสนาศาสน า, า, า, าจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสน า, าเนี่ยพุทธะแปลผู้แจ้งลูจริงพุทธศาสนา พุทธาจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเมื่อลู้แจ้งลูจริงก่ารู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะอยู่กับธรรมะนั่งกับธรรมะนอนกับธรรมะไปไหนมาไหนเอาธ ร, รรมะไปด้วยท่านจริงวาไม่ค่อยอิจฉาลิษยาเบียดเบียนใครพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ารมเหล่าใด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 และควรปฏิบัติ่าอย่างนั้นที่อาตมารู้เต้องรู้ไปยังนั้นแล้วเพื่อนๆนที่มีชีวิตอยู่ด้ยวยกันก็ต้องรู้ไปคล้ายๆกันจริงว่ะศึกษาธรรมะแท้นั้นต้องรู้อย่างเดียวกันบ้าก็คือคนไม่รู้สิ่งเหล่านี้เองบ้าเพราะมันมืดใจเหมือนกับคนอยู่ในท้ำนั่นเองบุญบ่เนี่ยบุญคือความเบาใจคือความสว่างนั่นเองจริงวธรรมะนันเจคือคนทุกคน ถ้าไปโกรธเกียรติธรรมะแล้วแต่โกรธคนก็ไปโกรธธรรมะแต่เกียรติคนก็ไปเกียรติธรรมะต่โกรธคนก็ไปโกรธพุทธศาสนาแต่เกียรติคนก็ไปเกียรติพุทธศาสนาและเราจะมีศาสนาทําไหมเพื่ออะไรอันนี้แหละให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียโน่นพูดภาษาไม่เหมือนกับหลวงพ่อพูดเดียวนี้ที่หลวงพ่อพูดเดียวนี้เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะ คนไทยต้องศึกษาให้รู้ภาษาไทยแต่จะศึกษาไม่ศึกษาก็รู้เรื่องนี้เพราะมันมีในเราศึกษาตัวของเราให้เห็นแจ้งรู้จริงในตัวของเราจริงจริงอันนี้เรียกว่าจบอารมณ์เบื้องต้นพื้นฐานการจะปลุก บ, บ้านแปลงเรือนต้องวางพื้นฐานลงเข็มให้แน่นหนาถ้าหากไม่วางพื้นฐานไม่ลงหลงักลงเข็มบ้านาจะสุดทันทีเลย จะต่อสู้กับลมและควมหนักไม่ได้เราก็เหมือนกันถ้าหากเราไม่ปูพื้นฐานดีๆการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จะไม่ก้าวหน้าดังนั้นพระพี่เลี้ยงอย่างที่พระสงฆ์ท่านเป็นพระพี่เลี้ยงเรียกว่าควรเดินหน้าและผู้ที่ตามหลังก็ต้องรู้ตามเห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า สัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้อะอย่างนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนาของพระพุทธเจ้าแนะนาเอาไว้นั้นแต่เราไม่เข้าใจตัวของผมเองตัวของอาตมาเองไม่เข้าใจ สมัยเมื่อทําพุโทโธสัมมาอารหังหรือนับห น, น, นึ่งสองสามพองยุบอานาปานสติก็ตามนั่งขัดสมาธิแล้วก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังนี่ปวดหลังปวดเอวบ้านหลวพ่อเรียกปวดเอวก็ทนเอาถ้ามันเป็นหนักๆ ก, ก็เวทนามันไม่เที่ยงพิจารณาอย่างนั้นขันท้าเมื่อมาทําพองอยุกอ้อยปวดหนอปวดหนอนย่านี้ทำอย่างนั้นอันนั้นแสดงว่าตัวของอาจามายังไม่รู้ ไม่รู้ที่ตรงไหนก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าศึกษาและไม่น่าปฏิบัติเราก็ยังทำอยู่อย่างนั้นทำเพราะเรื่องอะไรเพราะเราอยู่ในถ้ำไม่รู้จักทิศทางออกจากถ้ำแม้เราอยู่ในถ้ำถึงจะมีไฟจุดขึ้นแต่ความมืดมันไม่หนีจากเรา ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนทางทฤษฎีนั้นดีแล้วแต่เรายังไม่มีความสว่างเหมือนกับอยู่ในธรรมนั่นเองเป็นอย่างนั้นแล้วมันท ร, รมานตัวไหมถามถ้าหากหนูเจ็บแอวเจ็บแข้งเจ็บขาสบายไห ม, ไมเนี่ยเป็นท ร, รมานตัวเองไห ม, ไมนั่นแหละก็ยังทรทำเพื่ อ, อย่งทำเพื่ออยากดีอยากรู้อันนี้แหละการปฏิบัติธรรมมะเจ้าไม่เข้าใจจึงได้ทาผิด แไม่ใช่ผิดนะมันทรมานตัวเองและไม่อย่างนั้นก็ตามถึงกับอดข้าวเนี่ยอดข้าวอดอาหารการกินทุกอย่างเคยทำมาแล้วเรานึกว่าพระพุทธเจ้าไม่สัรข้าวเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นอันนี้เป็นการเข้าใจไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นนึกไปคิดออกมาเพราะเราไม่รู้ภาษาของคนอินเดียในประเทศอินเดียมีหลายละที่มีหลายอาจารย์ แต่บางคำนั้นอาจจะไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้อาจจะเป็นคำสอนของลทัทธิอื่นๆก็ได้เราก็มาประมวลลงให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอาตมาเคยทำมาแล้วไม่กินข้าวอดทนเอาวักกิเลสมันอยู่กับข้าวเนี่ยกินข้าวมันจะมีกิเลสเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นถ้าคิดอย่างนั้นเป็นการเข้าใจไม่ตรงตัวอาตมาแกคนอื่นอาจจะตรง กิเลสไม่ได้อยู่กับข้าวกิเลสคือมันอยู่ที่หลงตนลืมตัวหลงตายลืมใจเท่านั้นเองกิเลสมันไม่ได้มีที่ตัวเรามันจรเข้ามาเหมือนกับผู้ร้ายที่มาลักของในบ้านเรานั้นเองเมื่อเราไม่มีคนแจและไม่มีคนรักษาบ้านผู้ร้ายมันจะประเปิดเอาของในบ้านมันมีคนแจเข้ามามันเอาของเราหนีไปทั้งหมด และผู้ร้ายไม่ได้อยู่ที่บ้านทัางจริงๆและไม่เป็นเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ยอันนี้ควรเปรียบเทียบให้ฟังแต่ผู้ลายมันเอาของแล้วมันหนีไปควคมโกรธกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างการกิเลสอย่างละเอียดมันจอมาเข้ามาในขณะที่เราไม่เห็นกายเห็นใจเราไม่หลงเราไปหลงตนลืมตัวเราไปติดรูปสวยรูปงามติดคนรวย ติดคนมีเงินติดเสื้อติดผ้าถ้าหากมีเพชรมีพลอยมีแล้รก็ไปดูไปชมอย่างนั้นหรือบางคนมีรถยนต์ก็ไปเซตไปถูรถยนต์หลงตนลืมตัวไม่ได้เซตเนื้อเซตตัวเซตกายเซตใจของเราจริงๆถ้าหากเราศึกษาธรรมะแบบที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วนั้นขุมจริงกิเลสมันไม่มีอย่างที่เพื่อนภิกษุสมณีและ ญาติโยมนั่งอยู่ในขณะ น, นี้จิตใจไม่มีโกรธหรือมีโกรธเดี๋ยวนี้เนะี่ยไม่ ม, ม, มีมันโกรธขึ้นเป็นบ้างไหมเป็นเนี่ยเป็นบางครั้งเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นของจริงพระพุทธเจ้าท่านว่ามันไม่ใช่เป็นของจริงมันจอนมาเนื่องจากเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจจิตเดิมแท้ของเราหรือชีวิตเดิมแท้ของเราหนูเคยตักบาตรไหมเคยเคยให้ทานหลายอย่างนะ แล้วโ ก, ก็กันยังเป็นอยู่นะเนี่ยแสดงว่าเราให้ฐานสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุดิบภายนอกเอามาถลุงซ์่ะเอาไปเข้าโรงงานซะให้โรงงานเขาถลุงดีๆแล้วก็คัดเลือกเอาเจ้ของสิ่งที่มันมีประโยชน์มีค้ามากไปที่ไหนมาที่ไหนจะไม่หนักอกหนักใจอา้าวสมมุติให้ฟัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรามี ทองคําจากสองกิโลแล้มีเงินซื้อทองคํานั่นแหละเป็นกระดาษแต่ไม่ใช่เป็นเงินอย่างที่สมัยก่อนนั่นนะแล้วน้ําหนักน่าจะมากกว่าทองคําไปเท่าไหร่ไม่รู้ทองคําหนักสองกิโลแล้วนะบัต น, นี้ถ้าเป็นเงินจะหนักเท่าไหร่ไม่รู้บัตรนี้เอาเพชรไปบัต น, นี้เพชรน้อยกว่านั้นราคาอาจจะแพงกว่าทองคําหรือเพชรกับทองคําอันนี้มีราคามาก เพชรมีราคามากนะนั่นแนหะถ้าเราเอาเพชรไปแล้วจะไม่หนักตนไม่หนักตัวเอาของที่มีราคาเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังสักอย่างหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนหมาก็เลยจําไ ด, ได้อันนี้เป็นสัญญาของขมจําแต่บางทีอาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้เพราะบางครั้งมันก็หลงลืมไปมีสองคนด้วยกันเท่านั้นเป็นสี่เอากันไม่เป็นเพื่อนที่รักกัน อยากไปซื้อไปขายแต่มีเงินเสมอกันบัด น, นี้สองคนก็เลยมีครอบครัวมีเมียทุกคนเนี่ยแหละมีลูกทุกคนก็ไปไปก็ไปเห็นคนขายปออย่างนีน้ทางนี้จะอาจจะไม่มีกรุงเทพไม่มีปอนะก็ไปซื้อปอเลยจะซื้อปอไปขายเดียยวอย่างที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะซื้อปอมาขายกรุงเทพจะซื้อไปให้โรงงานโอ้ซื้อปอไปคนที่สลาดก็ซื้อน้อยคนที่ไม่สลาดนั่นะเพื่อนคนนั้นไม่สลาด ก็ซื้อมากซื้อไปแล้วก็ห่าบไปเลยห่าบไปแล้วไม่ได้ไปเห็นคนทอฝ้าเนี่ว่าเห็นฝ้าบ้านหลวงพอ่อโอ้เราจะซื้อเอาฝ้าเส้นนี่แหละโอ้จะมาพ่นหลงเนี่ยเอาซื้อเอาฝ้าดอกบ้านเนี้ยซื้อเอาฝ้าดอกดอกฝ้าบ้านหลวงพ่อเนี่ยจะไปให้เมียเราตั้มเป็นผ้าเป็นแพรไปมานุ่งมาถือมันจะดีกว่าอย่างนั้นพราะเวลามันจะหมดไปแล้วนะเอาวันนี้ก่อนหน้าวันเนี่ยเพราะว่า พรุ่งนี้หรือเย็นยังค่อยต่อไปเพราะว่าจวนเวลาจะออกไปบิณธบารแล้วดังนั้นให้เราหัดเป็นคนสละจากนิดเดียวเย็นเย็นยังฟังกันเรื่องนี้ถ้าไม่หลงนะถ้าหลงไปแล้วก็จะพูดเรื่องใหม่ต่อไปดังนั้นการเจริญวิปัจนากรรมฐานนั้นเป็นการเปิดอบรมมาตั้งแต่วันที่30เย็นวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเดือนมกราคมเลยว่าต้อนรับปีใหม่ให้ทุกคนพยายาม ดูจิตดูใจสิ่งที่มันข uos หน้าลงนั้นหนายขึ้นมาสิ่งที่มาอัดแน่นอยู่เนอะเปิดออกมาดูกันเรื่องจิตเรื่องใจเอาแหละท้ายที่สุดนี่อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า และคุณของพระอรหันตาสาวกพัสมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสติใจของพวกเราให้พวกเราได้เห็นแจ้งรู้จริงชีวิตเดิมของเราจริงๆในขณะนี้จงทุกทุกคนเธอ